สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รัค่ะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เรามาพบกันในปี2552ัายาสงกับรายการสันสนิสนานาซึ่งดำเนินรายการโดยดิฉันสันสนินฐานพง์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 เนี่ยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราพบกันมาอยู่เป็นแรมปีแล้วแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะ mm. ดิฉันเอติดค้างเอาไว้ว่าจะเล่าให้ฟังเรื่อง หนังสือพุทธวัตฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะพ็อกเก็ตบุ๊กซึ่งเชื่อว่าท่านที่ฟังรายการนี้จำนวนมากจะต้องได้รับเอาไปเป็นเจ้าของกันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรามีการแจกให้ถึงวันละห้าท่านห้าเล่มนะคะท่านละเล่มแล้วก็ห้าวันเนี่ยห้าห้ายี่สิบห้าสัปดาห์นึงก็แจกตงยี่ิบห้าเล่มแล้วเราแจกกันมาเป็นปีแล้วอะคะ่ะทีนี้ที่ว่ามีความก้าวหน้าเนี่ยก็คือว่า จากการที่ที่ผ่านมามีแค่เป็นหนังสือใช่ไหมคะบางท่านก็อาจจะได้รับไปมีเวลาอ่านบ้างไม่อ่านบ้างบางคนเนี่ยมีความนิยมอย่างหนึ่งคือขอเก็บไว้ก่อนเอาไปใส่ตู้ไว้บอกว่าวันหนึ่งจะอ่านมาถึงวันนี้อาจจะอ่านไปสักสองเรื่องในนั้นเนี่ยมีอยู่สสิบสามเรื่องเพราะว่าชีวิตไม่สะดวกอ่านหนังสือทีมันต้องใช้เวลามากยิ่งอ่านพุทธวจะนะบางคนบอกว่าก็ต้องใคร่ครวญด้วยไงดังนั้นเนี่ย มันทำให้หาโอกาสยากเป็นคนที่มีชีวิตลำเค็นต้องทำงานอยู่เป็นนิดก็เลยมีความคิดว่าจะทำเป็นเสียงให้นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นที่ว่าทำแม่ของเขาคือทามาสเตอร์เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยได้ไปบันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสไตลัสนะคะด้วยความศรัทธาของคุณติก๊กซึ่งเป็นเจ้าของห้องบันทึกเสียงเนี่ยพอไปเล่าให้เขาฟังว่า พุทธวจนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วอยากที่จะทำในลักษณะนี้เขาก็ให้เวลาในการบันทึกเสียงพระอาจารย์คึกฤทิโสธิพโลนะคะวันนาปาพงลำลูกกาคลองสิบซึ่งท่านเป็นผู้ที่ได้ให้แง่คิดให้คำปรึกษากับลูกศิษย์ที่คุณพจนาเ น, นะคะเอาไปรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือเอาไว้แล้วก็ได้รับความสนใจมากเนี่ยท่านก็จะ เป็นผู้ที่อธิบายขยายความนะคะเริ่มตั้งแต่ให้ความสําคัญของพุทธวจนะว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาคําของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีวิธีอย่างไรในการที่จะศึกษาคําของพระพุทธเจ้ามีเทคนิคอย่างไรท่านก็อธิบายไว้บางคนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเวลามาอ่านให้ฟังแม้แต่กระทั่งในพุทธประวัติจากพระโอษณะ พพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนักจะไปในทางภิกษุทั้งหลายตรัสกับพรามตรัสกับข้าบดีเนี่ยดูเหมือนกับน้อยบางคนก็เลยบอกว่าแล้วมันเกี่ยวกับเราด้วยหรอที่ต้องไปศึกษาท่านตรัสถึงพิกษุทั้งหลายคงหมายความว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นศึกษาแต่ไทยเดียวมั้งนะคะก็ได้พบจากคําอธิบายของ พระจันคือกริปนะคะท่านก็บอกว่าพระพุธองค์เนี่ยเคยตรัสไว้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเพื่อประโยชน์ของมหาชนดังนั้นทุกคนก็สามารถที่จะใช้ธรรมของพระพุทธองค์และควรจะใช้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการขึ้นหัวส่วนในรายละเอียดนะคะในแต่ละบทถ้าเป็นบทที่ง่ายเนี่ยก็จะผ่านไปเพราะว่าเชื่อว่าท่านสามารถทําความเข้าใจได้โดยเฉพาะคนที่ฟังรายการแบบนี้อยู่เป็นประจํานะคะส่วนบทไหนที่เห็นว่า คนที่ไม่ได้ศึกษามากๆเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าใจได้เลยก็จะให้ท่าอาจารย์ครึกฤทธิ์เนี่ยขึ้นหัวไว้ว่าสรุปแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรหลังจากนั้นก็จะเป็นการอ่านโดยดิฉันเองนะคะที่จะอ่านคำของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอดเนี่ยเอาไว้ก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีการ ร่วมแรงร่วมใจจากพี่ๆน้องๆที่มีความสนใจศรัทธาอยากที่จะทําบุญร่วมกันในการสร้างซีดีอันนี้เพื่อแจกจ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะแล้วก็จะมีการนําออกมามอบให้กันในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปอย่าเพิ่งขอมาตอนนี้นะคะเพิ่งไปทําอ่านเสร็จยังไม่มีการใส่เสียงประกอบเลยเข้าใจว่าต้องปีใหม่ผ่านไปแล้วคุณติ๊กถึงจะว่างทําตรงนี้ให้นะคะก็ขออนุโมทนากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ทำงานในครั้งนี้มาด้วยแล้วก็อยากให้อยากให้ท่านฟังนั้นได้ทราบไว้ว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแต่ส่วนวันนี้ปัจจุบันที่กำลังจะได้พบกันในเวลานาทีถัดไป น, น, นะคะก็จะเป็นการพบกับพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุณโนจากวัดป่าดอนไหโสกจังหวัดอุดรธา น, นีค่ะถามโลกตอบถาม ท่านฟังคะช่วงที่เราจะได้พบกับพระอาจารย์ภัยบูลณ์อภิปุลโนคือช่วงถามโลกตอบธรรมมาถึงแล้วคะ่ะน้มสักการะท่าน ค, ะาค่ะเรนพรครับก็อยู่ในใจนะคะที่จะกลับเรียนถามท่าน เ, เนื่องจากว่าไปอ่านหนังสือพิมพ์มติชนมีคนเขียนคอลัมน์มวนเสาก็ได้พูดถึง ว่าการดําเนินชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จจํานวนมากทีเดียวนะคะมักจะมีคติพจน์ประจําใจของตัวเอง<ช>บางทีก็จะเป็นคติธรรมที่บรรพบุรุษมอบให้ไว้โดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยคะ่ะจะ<ช>นิยมที่จะมีคติธรรมประจําครอบครัวกันเยอะอแล้วก็สรุปเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อว่าคําสั้นๆเหล่านี้เนี่ยสามารถจะประคับประคองชีวิตของค น, นให้ ในทิศทางที่ดีหรือว่าประสบความสำเร็จได้ในฐานะที่เราเป็นรายการที่ก็เสนอคำที่ถือว่าเป็นสุดยอดของถ้อยคำบนโลกใบ น, นี้แล้วเป็นพุทธวจนะคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังจะขึ้นปีใหม่หลายคนก็อยากจะได้สิ่งดีๆไว้เป็นสิริมงคลที่ตัวเองจะนำเอาไปปฏิบัติ ให้ชีวิตก้าวหน้าเนยค่ะอยากจะให้ท่านลองนําเสนอสักจํานวนหนึ่งเผื่อบางคนคิดเองไม่ออกนะคะเออเอานี้ดีกว่าเข้าท่าดีคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยเาจมาใช้คํานี้หลือว่าเป็นปาฏิหารค่ะเพราะว่าเป็นคําที่เมื่อเราคํามงพริพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นผลเราสร้างเหตุอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้แน่นอนฮะฟันทงคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปาฏิหารที่พระพุทธเจ้าหมายถึงอนุสาสนีปาฏิหาร เพราะฉะคำอะไรก็ได้ของพระพุทธเจ้าถ้ามีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นท่อยคำเป็นสถาคตภาษิตนะโดยบทและพยยรชนะนะดีหมดเลย <คะ S 1> ดีหมดแน่นอนเราก็เลือกสีว่าอันไหนเนี่ยที่จะมาประกอบให้ตัวเองเนี่ยแล้วเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้แล<ค> ะ, ะอย่างเช่นคำนี้ก็ได้พรุทธเจ้าพูดถึงการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทาอันเลิศนั้นย่อมมีได้อสั้นๆแค่นี้ การบรรลุทำอันเลิศด้วยการกระทําอันเลิศย่อมมีได้บางคนบอกว่ายังไม่ได้คิดอยากได้ถึงบรรลุธรรมกระทันคะอยากรวยก่อน <g az> ค่ะทำนั้นไงทำนั้นคือความรวยไงค่ะ <c oughs> ทำอันเลิศเนี่ยถามว่าอา้าถ้าทำอันเลิศของเราเนี่ยคือการมีภพกษัตริมาก <c oughs> เพราะฉะนั้เราก็ต้องกระทําเหตุของการที่มีภพกษัตริ์มาก <c oughs> อย่างเมื่อวันก่อนมีคนบอกว่าไปดูหมอมาแล้วก็มานอนไปดูหมอดูมาบอกว่าจะได้เป็นตำรวจใช่ไหมใช่แล้วก็มานอนรอ ไอการนอนรอเนี่ยไม่ใช่การสร้างเหตุของการเป็นตำรวจได้นะค่ะดังนั้นคุณต้องกระทําการกระทาอันเลิศในการที่คุณจะได้เป็นตำรวจยกตัวอย่างเช่นคนต้องกระทําการกระทําอันเลิศในการที่จะได้มาซึ่งโภคทรัพย์อะไรเล่าเป็นการกระทําอันเลิศนี่ไงลุกขึ้นด้วยความเพียรรวบรวมมาด้วยการวางแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทัพย์ที่ได้มาโดยธรรมเป็นไปตามธรรมอันนี้พระเจ้ายกย่องอย่างนี้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดท่านฟังเนี่ย ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาไปเป็นคติธรรมประจาใจก็ขอให้ทราบว่าในมุมมองของท่านอาจารย์ไพบูลเนี่ยบอกคำพระพุทธเจ้าเนี่ยถือเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งเลยใช่แล้วก็เป็นปฏิหารประเภทที่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารคือเ ป, เป็นเหตุเป็นผลเหตุห เ, เป็นผลนะคะก็คือคำที่ว่าการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทาอันเลิศย่อมอมีได้ ใช่ไหมคะอยู่ในร้อยแปดตถาคตภาสิตธ์ด้วยใช่ไหมคะอ่าเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันกันกนกบข้อสิบหอข้อสิบหกบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้ผู้มีความเพียรอันปรารพบแล้วย่อมอยู่เป็นสุขนะและย่อมทําประโยชน์ตนอันใหญ่หลวงให้บริบูรณ์ได้ค่ะเพราะงั้นคือมันจะเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในข้อนี้จะเป็นตอนต้นกับตอนท้ายๆของข้อนี้อยู่ อ, อ, อีกอันหนึ่งที่เราจะมาะก็คิดว่าใช้ได้เหมือนกันน ะ, ะก็คือคนที่ทําความผิดพลาดมาในชีวิตแล้วเนี่ย คิดว่าจะตั้งต้นทำใหม่เนี่ยในปีนี้เนี่ยให้ดูข้อนี้เลยข้อ51นะพระเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าผู้ใดเห็นโทษโ ด, ดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปข้อนี้เป็นความเจริญในอารียบินัยของผู้นั้นเอา้าคนเราทำผิดมาแล้วเราทำผิดศีลมาปีที่ผ่านมาโอ้โหมีปัญหานู่นนี่พูดไม่ถูกทาอะไรไม่ได้พูดผิดคิดผิดนะก็ทาใหม่สิ เจอเห็นโทษโดยความเป็นโทษใช่ไหมแล้วทําตามคืนตับแล้วทําคืนตามธรรมเจริญได้แน่นอนพระเจ้าฟ mm hmm. ันธงฟันเฟิร์มไว้อย่างนี้ <Okay. S 1> พระเทวทัศน์เนี่ยโอ้โหปู้ยี่ปู้ยำพระพุทธเจ้าทุกอย่างใช่ไหมตามจองล้างจองผ่านขณะทําส่งให้แตกกันทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดก่อนจะตายตอนที่ตัวเองจะถูกธรณีสูบเนี่ยอขอทํำคืนตามธรรมนะอยกเลิกเขาเรียกว่าอะไร ขอโทษพระพุทธเจ้าเอากระดูกคางถวายใช่ไหมพระพุทธเจ้าเลยพยากรณบอกว่าด้วยผลบุญนี้เลยจะทำให้ไปเป็นพระประเจกพุทธเจ้าหลังจากที่ไปสวยผลกรรมในนรกขอนแล้วเพราะฉะน<ล>ั้นถ้า<บ>เราต้องการทำสิ่งใหม่ๆกับตัวเองเนี่ยโอ๊ยเราทำผิดมาพิแล้วให้ดูข้อนี้ห้าส <51 S 1> <ม>ิบเอ็ดนะคะ<ช>ผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสารวมต่อไป ข้อนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นเราอาจจะตัดตอนได้ไหมคะว่าผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามทำตามทำย่อมเป็นความเจริญอืบางคนอาจจะบอกว่าเอคล้ายๆกับที่เขาพูดกันอยู่เลยว่าคิดผิดคิดใหม่ได้ทําผิดทําใหม่ได้นั่นมป็นคำธรรมดานะคะเราอุตส่าห์ให้คําที่เป็นปาฏิหาริย์นี่โดยบทแพ่งชนะของพระเจ้านะจะชัดเจนมากทำคืนตามธรรมนะค่ะทํำคืนตามธรรมนะ แปลว่าท่านาอาจารย์แต่ถ้ก ค, คุณถ้าคุณมีมิจฉาทิฐิเนี่่ยคะการกระทำคืนตามธรรมของคนที่มีมิจฉาทิฐิคือคุณต้องมีสมาธิฏิค่ะอ่าอย่างนี้นึ่บอกปะอ่ายกตัว อ, อย่างเช่นผิดลูกเมียเขานะ่ะ<ม>อนี่บอกไหมค่ะอ้าวคราวนี้เราก็ทํำคืนตามธรรมงั้นเราก็ทําหน้าที่ของการเป็นสามีที่ดีครับหน้าที่ของการเป็นประหยาที่ดีเอาไม่นอกใจนะให้หน้าที่ มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ขยันกันแข็งอย่างนี้ตามรักษาทรัพย์อย่างนี้ก็คือการทํากืนตามทําค่ะอันนี้มันจริงๆสอดคล้องกับความต้องการของคนที่คิดดีคือคิดอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่องกระจกเห็นตัวเองตามที่มันเป็นจริงคือบางคนเนี่ยส่องแล้วไม่เห็นหนคะคะท่านไม่ยอมรับปัญหาตรงนี้คือว่าวยกตัวอย่างที่ไม่ทํากืนตามทํามก่อนอย่างเช่นนะผิดลูกเมียเขาใช่ไหมค่ะเราก็ไปขอโทษขอโพย แต่ตัวเองก็ยังผิดอยู่นะการขอโทษขอโพยเนี่ยไม่ได้เป็นการทําคืนตามธรรมไปบนบานสารกล่าวไปจุดทูบวันนั้นวัด น, นี้อันนี้ไม่ใช่การทําคืนตามธรรมอ า, อาจารย์กำลังหมายความว่ากรณีที่ไปผิดรูปผิดเมียคนอื่นแล้วอาจจะคู่ของเราใช่ไหมคะที่รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เลยไปสารภาพอย่างนี้ไม่ใช่ทําคืนตามธรรมสารภาพยังไม่ใช่การทําคืนตามธรรมนะต้องหยุดการบระพฤตผิดในการก่อน อ, อันนี้ถึงจะเป็นก็เรียกตามธรรม ค่ะอาจารย์กำลังจะหมายความอย่างนี้หรือเปล่าคะที่ว่าบางคนบอกว่าเออก็เห็นคนอื่นเขาทำนะเขาบอกพอไปสารภาพบาปแล้วมันหายบาปเนี่ยอ่าฮะตามตามหลักของเรานี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะคือกรรมมันกระทาไปแล้วมันต้องได้รับผลค่ะเราก็ทําใหม่ที่มันดีขึ้นตันเองทำใหม่ที่ดีขึ้นแปลว่าอย่าใช้วิธีสีธนชนชัยไม่ใช่เพราะ<ช> คนบางทีเนี่ยทำพอเป็นพิธีเนี่ยเยอะนะคะ อ, อันนั้นไม่ได้เป็นการทำากืนตามธรรมค่ะใช่อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งค่ะสำหรับพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็ให้ดูข้อนี้ก็ได้อดมาก็ใช้ข้อนี้อยู่เป็นประจคือข้อหนึ่งศนย์หนึ่ะพระเจ้าตรัสว่าในการได้แลหมูส่สงประกอบด้วยคุณอันใหญ่ในการนั้นเรามีความครบแม้ในสงคุณอันใหญ่เนี่ยของ สำหรับภิกษุสงฆ์นะค่ะท่าพระสงฆ์เนี่ยเธอประกอบด้วยคุณอันใหญ่พระเจ้า ย, ยังเคารพเธอนะโอ้งั้นเราต้องรีบกระทําสิ่งที่เรียกว่าคุณอันใหญ่ดีกว่าท่านอาจารย์คะอย่างเนี้ยเข้าใจว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะงงมไม่เข้าใจว่าพระอาจารย์ภับูรณ์หมายถึงเรื่องอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเราเราด้วยหรือเปล่าก็คือพระเจ้าเนี่ยเคารพธทำ ใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมตถาคตเป็นผู้ครบรธรรมเพราะฉะนั้นธรรมเนี่ยมีอยู่ในใจของผู้ใดเนี่ยพระเจ้าก็ครบรู้ผู้นั้นคุณอันใหญ่นี่คือธรรมใช่ไหมคะถูตกต้องค่ะคือคุณอันใหญ่ในที่นี้เนี่ยถ้าเราไปดูในนัยยะอื่นๆเนี่ยหมายถึงการที่หมดแล้วจากกิเลส ท, ทั้งสาอย่างครับบริสุทธิ์หมดจดแล้วจากกิเลส ท, ทั้งสาอย่างนี่คุณเป็นผู้มีคุณอันใหญ่นะเราครบรู บ, บุคคลแบบนี้ถ้าจากครั้งนั้นถ้าจะแปลแบบสําหรับคารวาส ที่ไม่ใช่พระเนี่ยนะคะ ใ, ในการอันใดหมู่สง์ประกอบพร้อมด้วยคุณอันใหญ่ในการนั้นเรามีเคารพมีความเคารพแม้ในสง์ก็อาจจะหมายความเมื่อมาใช้กับมหาชนได้ว่าในการใดายแลเราเอาเรื่องนี้ก็ได้ว่าคุณเป็ น, าาาลลนคนา ร, ราวาชาลเลอร์นเนี่ยการคารวาชเลอรเนี่ยคุณหาโพคซัพบใช่ไหมหาโพคซับที่เป็นไปตามธรรมใช้ใจ่ายโดยธรรมไม่กําหนัดยึดติดในโพคซับนั้นแบ่งโพคซับน้ำบเพ็ญบุญด้วย แค่สี่อย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคารวาชั้นเลื่ชั้นประเสริฐเป็นชั้นเบาหวชั้นสูงสุดด้วยคอย่างนี้ก็ได้ก็คือพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ายกย่องคารวาแบบนี้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราอหาทรัพย์ด้วยพิธีเป็นไปตามธรรมใช่ไหมไม่โกงใครมาไม่พูดปดมาได้ทรัพย์มาแล้วก็แบ่งจ่ายทรัพย์ไม่เก็บไว้คนเดียวใช่ไหมตามตามธรรมโดยสีลักษณะแล้วก็แบ่งทรัพย์นั้นเนี่ยบําเพ็ญบุญด้วย อันที่สอันที่สามอันที่สี่ก็ไม่กําหนดติดใจในทรัพน์นั้นก็ได้เหมือนกันอืก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นครว่าเชิญเลิกเหมือนกันค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะยึดเอาบทที่101ร้อยเอ็ดอไปเป็นคติธรรมประจําใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปอืตามธรรมนั้นก็บทก็จะเปลี่ยนคำว่าส่งเป็น เป็นเธอก็ได้ในการดูแลเอมื่อเธอประกอบด้วยคุณอันให ญ, ญ่ในการนั้นเราก็รบแม้ในตัวเธออย่างนี้อ๋อค่ะเพราะจริงๆคําธรรมะของพระเจ้าเนี่ยอรมาบอกได้เลยว่าเป็นอากาลิโกหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้กําหนดบุตรพยัญชนะเนี่ยทรงตรัสไว้เลยนะไม่ใช่ประเทศบอกใครคนใดคนหนึ่งตัวคนเดียวเท่านั้นนะ อแต่ว่าคําที่พระองค์พูดเนี่ยตราดไปแล้วเนี่ยจะเป็นไปอย่างนั้นตลอดกาลเพราะมันไม่ได้ใช้สําหรับพระสงฆ์เท่านั้นมันใช้ได้สําหรับทุกกรณีค่ะถ้าอจากเขาเล่าอย่างกบฏที่ร้อยแปดเนี่ยนะคะที่บอกว่าฝนหนักๆตกลงบนภูเขาย่อมทําให้ย่อมทํามหาสมุทรให้เต็มได้่ความหมายคืออะไรคะความหมายก็คือว่า <c oughs> ความหมายก็คือว่าการกระทําอะไรของเราเนี่ย ที่เป็นความดีเน money.. <cas ello vivo> huh. ี่ยนะเล็กๆน้อยๆทําเข้าไปขยันทําทําเป็นอาจินทําเป็นโดยปกติเนี่ยมันเหมือนกับน้ําเนี่ยน้ําท่วมกรุงเทพเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ฝนตกทีเดียวแล้วมันท่วมหมดนะมันตกเป็นวันฝนเนี่ยมันเม็ดเล็กๆเท่านั้นเองตกตกตกตกามวันสวันโอ้ท่วมหมดเลยนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเพียรของเราเนี่ยหยดน้ําหยดเล็กๆเนี่ยทําเข้าไปทําเข้าไปทําเข้าไปได้เหมือนกันค่ะได ใช้ได้กับทั้งทางโลกและทางธรรมใช่ฝนตกหนักๆลงบนภูเขา<ม>ย่อมทํามหาสมุทรให้เต็มได้โดยโดยเต็มแล้วเนี่ยผู้ริษ่าตรัสอย่างนี้บอกว่าเปรียบเหมือนฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ําฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทําซอกเขาซอกผาและลํารู้ห้วยให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลําค้วยเต็มแล้วย่อมทําบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็ม บึง <B ưng> ใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มแม่น้นําน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายให้เต็มแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทํามหาสมุทรให้เต็มค่ะที่ท่านตรัสนี้ในกรณีใดคะในสถานการณ์ไหนคะในสถานการณ์ที่บอกว่า อ, อการที่เราจะบรรลุมรรผลนิพพานได้เนี่ยคือเข้าสู่มหาสมุทรได้เนี่ยเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่ไหลลงมาตามแม่น้ําไปถึงมหาสมุทรเนี่ยก็คือการกระทําที่เราทํา ความดีเนี่ยกายวาจาใจบริสุทธิ์ใช่ไหมทำทีลเล็กน้นนอยทําไปทําไปทําไปก็ะจะสามารถไปถึงเมพผลนิพพานได้ค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะดําเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในด้านใดเราก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนสําหรับผู้ที่อยากจะใช้เป็นแนวทางในการหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันใช่นะคะแล้วก็หากจะจดจํำสั้นๆจริงๆแล้วนะคะฝนตกหนั ก, น ก, นกลงบนภูเขาย่อมทํามหาสมุทรให้เต็มได้ ทนวิธีการปราริของพระพุทธองค์นั้นนะ่ะได้ให้รายละเอียดไว้กว่าจะมาเป็นมหาสมุทรก็มีลักษณะของ<ม>อาสาย น, ะำน้ำลาน้ําในลักษณะต่างๆใช่ไหมคะมาเรื่อยๆจากปึงจากอะไรเรื่อยๆมาจนกระทั่งเป็นทะเลเป็นมหาสมุทร<ม>นี่ก็เป็นอีก อ, อีกพุทธวัจนะที่จะใช้เป็นคติในการดําเนินชีวิตในปีใหม่นี้สําหรับท่านฟังได้ท่านฟังคะในส่วนของ คติธรรมต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฟังในรายการนี้นะคะเรียกว่าทุกเรื่องที่เราพูดเนี่ยเอาไปใช้เป็นคติธรรมได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าท่านจะตัดสินใจเอาเองว่าเรื่องใดที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะผู้ทวจะนะที่จะนํามาพูดในรายการนี้ในวันนี้ก็ยังไม่ได้หมดลงสทัทีเดียวเพราะว่าในช่วงที่ ก่อนจะจากกันซึ่งเมื่อก่อนมี5นาทีสำหรับการอ่านพุทธประวัติจากพระโอษนั้นขณะนี้จบไปแล้วก็จะมีให้พระอาจารย์เผยบุญอภิปุณโนยังได้มาอธิบายขยายความพุทธวจนะเพื่อที่ท่านจะได้เลือกไปใช้ในการดำเนินชีวิตในปีใหม่ที่จะถึงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราพักสักนิดแล้วค่อยไปพบ ก, กับท่านในช่วงนั้นนะคะถามโลกตอบ ท่านฟังกำลังฟังรายการสัมสนีสนทนานะะที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ค่ะท่านฟังคะสำหรับร้อยแปตถาคตภาสิทธ์นั้นก็ได้มีการนำเอามามอบให้กับทางสถานีเพื่อที่จะแจกให้กับท่านฟังที่มีความสนใจเป็นสศอออปีใหม่และติดต่อเข้ามาในรายการทางมือโทรศัพท์ 02-269-006 กันอีกแล้วนะคะส่วนท่านที่ โทรศัพท์เข้ามาทางสานีจะประสานนะคะว่าจะรับกันอย่างไรเช่นเดียวกันในตอนนี้ใครยังอยากได้หนังสือพุทธวจนะฉบับก้าวย่าอย่างพุทธะนั้นในหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันก็ยังมีแจกให้วันละ5เล่มกันอยู่ค่ะยังไงก็ตามนะคะอยากจะให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ในการอ่านให้เต็มที่เทนเองก็ไม่ทราบว่าที่มีเพื่อนเพื่อนมาเล่าให้ฟังมาว่าไปเห็นหนังสือเล่มนี้วางขาย อยู่ในที่ที่ไม่ใช่ร้านมาตรฐานเนี่ยนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพียงแต่ว่าออในเมื่อเกิดจากศรัทธาของคนที่เขาทำถวายเพื่อให้ท่าจันครือกริสเนี่ยนะคะได้กระจายมอบให้กับผู้ที่สนใจตามที่ต่างๆ จะได้ศึกษาพุทธวจนะเพื่อประโยชน์ของท่านที่เข้าไปศึกษานั้นเองเนี่ยจะได้สมประโยชน์ของผู้ที่เขามีเจตนาที่จะถวายมาโดยตรงมากกว่านะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้ฟังพุทธพจน์เพื่อนําเอาไปใช้ประโยชน์ในการเป็นคติประจำตัวกันอีกแล้วนะคะนิมนต์ท่านอาจารย์ไพบูลเลยค่ะออตลาคขดภาษิตในคราวนี้ก็จะได้ให้ฟังข้อที่เ1 พระเจ้ตรัสว่าเขาเปลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยน่ากลัวเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ดังนั้นเราอย่าเพลินในสิ่งใดๆทั้งทั้งหมดทั้งปวงเลยไม่ว่าในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ก็อย่าเพลินขณะที่ทํำกิจการงานอยู่ก็อย่าเพลินเพราะว่าเมื่อเพลินแล้วสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์และพระพุทธเจ้าก็ตรัสในข้อที่50บนะบอกว่าความดับแห่งทุกข์ย่อมมีเพราะความดับแห่งนันที่คือความเพลิน เพราะในปีใหม่นี้อย่าเที่ยวกันจนเพลินนะให้มามีสติอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ก็จะเป็นการดีเป็นการที่เรียกว่าเอาคําสอนอันเป็นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปนน้อมนำในการปฏิบัติค่ะเพราะว่าเวลาเมื่อเราทบทวนไปอดีตที่ผ่านมาแล้วทําให้เรามีความทุกข์หรือว่าเป็นโทษเป็นภัยกับเราเนี่ยบางทีมันเกิดจากการที่เราเพลินไปกับเขาเราไม่มีสติ กับการที่จะดำเนินชีวิตนะคะดิฉันเข้าใจว่าเนี่ยน่าจะเป็นบทที่เอาไปใช้กันได้เลยคอยเป็นเครื่องเตือนสติเอาไว้อย่าเพลินใช่ค่ะ <c oughs> ติดต่อเข้ามาก็แล้วกันนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106มร้อยหกบอกว่าขอสุขอสอปีใหม่จากรายการสัมสนีสนทนานะคะเราเรียกสิ่งที่เราแจกนี้ว่าร้อยแปดตถาคตพาสิทธเป็นพุทธวจนะ ซึ่งถือว่าเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญีตานี่เป็นคำพระพุทธเจ้าเลยนะคะสำหรับที่ขยายความแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมว่าเป็นคากล่าวที่ประกอบอยู่ด้วยปาฏิหาร <c oughs> เห็นไหมคะอย่างที่ท่านอาจารย์เพบูลบอกเลยว่าประกอบอยู่ด้วยปาฏิหารสร้างเหตุและผลเกิดแน่ <c oughs> อันเป็นกุศลมีสุขเป็นกาไร <c oughs> มีสุขเป็นผลปรารถนาความสุขอย่างยั่งยืนสุขแท้จริง สุขไม่เพียงแต่ในโลกนี้สุขถึงโลกหน้าหรือถ้าอาธิษฐานว่าโลกหน้าจะไม่เกิดอีกแล้วนะคะจะขอตามพระพุทธเจ้าไปคือไม่เกิดอีกแล้วก็ <c oughs> หลุดพ้นเนี่ยอันนี้ ท่านทําตามเหตุนะคะที่จะให้ได้ตามคําสอนของพระพุทธองค์นะคะ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะได้อีกเช่นเดียวกันวันนี้เวลาพอควรแล้วอีกเช่นเดิมนะคะนวัตสการขอบคุณพระอาจารย์ไพบุญค่ะส่วน<อ>ท่านผู้ฟังนะคะเราก็จะมาพบกับท่านฟังกันอีกในวันพรุ่งนี้โปรดคอยติดตามก็แล้วกันค่ะวันละเล็กวันละน้อยอีกหน่อยก็เหมือนกับว่าฝนที่ตกหนักๆบนภูเขาแล้วเต็มมหาสมุทรได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรู้ทาง